เ, เียมตัวนั่งภาวนาเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสงบในลหลายๆในลหลายๆโอกาสวันหนึ่งมันมีตั้งหลายชั่วโมงเราหัดทำความสงบใช่บ้างโดยธรรมดานั้นความสงบนี่ไม่่อยมีอยู่แล้วมีแตกชิดแส่สายไปข้างนอกตาไปเห็นอะไรจิตใจก็เป็น ตามไปหูได้ยินเสียงแววมาก็ใจก็ตามไปจิตใจไม่ได้อยู่นิ่งสงบสักทีวันหนึ่งมีตั้งหลายชั่วโมงยี่สบสี่ชั่วโมงจะอยู่สงบแทบชั่วโมงนึงก็แทบจะไม่ได้วันเพราะฉะนั้นเมื่อถึงโอกาสจังหวะไหนที่เรารู้สึกว่าภาระต่างๆ มันหมดมันลดมันน้อยลงแล้วให้พยายามรักษาความสงบไว้คือเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสงบนีไม่จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากหรอกเพียงแต่ว่าเราอยู่สงบเะโดยกายก็อย่าไปเคลื่อนไหวกายก็ไม่เคลื่อนไห ว, วาจาก็นิ่งเะอย่าพูดอย่าบน่น อย่าทำซุ่มทำเสียงอะไรทั้งหมดนี่บอวาจาก็สงบแล้วส่วนใจนั่นที่มันคิดไปนู่นไปนี่หลายเรื่องหลายอย่างก็พยายามหาอุบายให้มันคิดน้อยลงอันหนึง่งที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเราน่าจะพิจารณาทำว่าใจเป็นกลาง คำว่าใจเป็นกลางที่หลวงปู่ท่านบอกว่าพ้นจากทุกจากใคยความหมายของคำว่าเป็นกลางเราลองคิดดูเทียบดูมันเป็นกลางระหว่างอาดีตกับอนาคตเป็นกลางระหว่างซ้ายกับขวากับข้างหน้าข้างหลงังกับข้างบนข้างล่างอันนี้เรียกว่ากลางทั้งนั้น่ะทีนี้เราลองคิดดูว่าถ้าจิตใจมันไม่อยู่ตรงกลาง แล้วมันเพ่นท่านออกไปเนะี่ยส่วนมากเราก็จะไม่ฉลาดจิตใจเพ่นพ่านออกไปไปเห็นเรื่องต่างๆก็รักมั่งก็ชังมั่งโกรธขึ้นเศร้าใจเสียใจาาบาดว่านบาดตัวนี่คือมันออกไปแล้วออกไปจากกลางแล้วมันไม่ปกติถ้าผู้ที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมดีแล้วถึงใจของท่านจะส่งออกไป แต่ความเป็นปกติของท่านก็ยังทรงไว้ได้อยู่บุคคลอย่างนั้นยึนสมควรที่จะส่งจิตใจออกไปทีงจะเป็นประโยชน์จึงจะคุ้มครองตนเองได้ความที่จิตใจออกจากกลางแล้วไม่ได้รับความร่มเย็นไม่ได้รับความสงบไม่ได้รับความสุขเราลองพิจารณาดูอย่างแดดเมื่อตอนกลางวัน ตอนกลางวันแดดถ้าไปถึงเวลาตอนเที่ยงถ้าเรายืนตรงอยู่เนี่ยเงาของเรามันก็จะอยู่ตรงนี่แหละมันจะไม่ยาวออกไปที่ไหนแต่ถ้าเรายืนไม่ตรงเบี่ยงไปเอี้ยวไปโน้มตัวไปทางซ้ายเนี่ยเงาก็ยาวออกไปแลวเงาก็ยาวออกไปอันนั้นเรียกว่า ความสมดุลของตัวเองนะ่ะไม่่อยมีแล้วนะ่แค่เอียงไปมากๆเราล้ลมเลยโค่นเลยจะเอียงไปทางอื่นก็เหมือนกันเอียงไปมากๆเราโค่นดังนั้นเนอะียงไปซ้ายมากๆก็โค่นล้มเอียงไปขวามากๆก็โค่นลม้มข้างหน้ามากๆก็ลม้มข้างล่งมากๆก็ลมนะ้มถ้าจะให้มันอยู่ที่มั่นคงที่สุดอ่ะคืออยู่ตรงกลางยืนตรงๆง ยืนตรงๆแล้นี่นมาพี่เจรานาถึงว่าเง า, านะถ้าเราเอียงไปมากๆเงามันก็ยาวถ้าเงามันก็ยาวก็คือเราเอียงมากเอียงมากๆนั่นแหละความสมดุลหรือความมั่นความมั่นคงพอน้อยลงเหลือนิดเดียวแล้วยิ่งมันเอียงไปมากยิ่งเหลือความยืนหยัดความมั่นคงน้อยลงทุกทีทุกทีนี่จิตใจเรานี่ก็เหมือนกันอย่างนนอ่ะ ถ้าเผื่อลรคิดออกไปไกลออกไปมากเท่าไหร่นี่ทําให้ความตั้งมั่นของจิตนี่น้อยลงไปน้อยลงไปตามตามขนาดของที่เราส่งไปไกลมากขึ้นคือมันเพ่นผ่านไกลๆและห ล, ลายเรื่องหลายดาวเข้านะี่ความที่จะยืนหยัดความที่จะมั่นคงมันก็น้อยลงไปทันทีเหมือนเหมือนกับเราเนั่นแหละเหมือนเหมือนกับตอนการคิตอตอนเที่ยงถ้าเรายูนตรงนิ่งเนียเนียวแหนวอยู่นิ่งอยู่ มันก็ไม่ล้มไม่มีโอกาสจะล้มไม่มีโอกาสจะโค่นแต่ถ้าเราเอียงออกไปเนะี่ยมันก็จะโค่นทั้งเงาก็จะปรากฏให้เห็นอยู่ด้วยว่ามันยาวออกไปถ้ามันยาวออกไปก็แสดงว่าเราเอียงไปแลว้วเอียงไปแลว้วก็คือความมั่นคงความยืนหยัดของเรามันน้อยลงเราจะพิจารณาอย่างนี้เป็นตัวอย่างก็ยังได้ในการที่เราลองทาใจให้เป็นกลาง ทำจจให้อยู่นิ่งสงบเป็นงกลางนี่เราอาศัยคิดว่าถ้าเราส่งออกไปจะส่งไปในเรื่องไหนเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตนี่มันออกไปจากกลางแล้วถ้าออกไปจากกลางออกไปจากกลางคือปัจจุบันปัจจุบันคือกลางของอดีตครับอนาคตถ้ามันออกไปจากกลางอันนี้ความมั่นคงของจิตน้นอยลงแล้ว ถ้าออกไปไกลๆออกไปออกไปมากๆความยืนหยัดความมั่นคงยิ่งน้อยลงจิตใจเราอ่อนแอลงมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจงคิดว่าถ้าเผื่อเราจะเอาความมั่นคงความยืนหยัดความร่มเย็นจิตใจเยือกเย็นเหบิกบานเป็นปกติอยู่ได้แล้วคือการไม่ส่งไปไหนพยายามรักษาจิตใจเข้าสู่ความสงบไว้ถ้ามันอยู่สงบก็คือมันอยู่นิ่ง อยู่ตรงอยู่ปัจจุบันอยู่ไม่ไปข้างหน้าไม่ไปข้างหลังอยู่ตรงกลางกลางอันนี้แหละคือคำว่ากลางการประพฤติปฏิบัติทำถ้าหลวงปู่ท่านอยากจะสรุปท่านก็คงจะสรุปว่าวิธียังไงก็ก็แล้วแต่จะจะคิดอุบายแยบคายอย่างไ น, นก็แล้วแ ต, แต่แต่ละคนเนี่ยแล้วในที่สุดให้จิตใจของตนอยู่เป็นกลางกลางอยู่นิ่งเป็นกลางกลางอยู่นี่ ไม่ออกไปทางไหนไม่ออกไปกับอะไรอันนี้แหละจะได้รับความร่มเย็นจิตใจที่มีความร่มเย็นคือจิตใจที่ไม่แสบสายจิตใจที่ไม่เดือดร้อนไม่กระวนกระวายไม่หวาดไม่หวัน่นไม่กลัวสะดุ้งนั่นละ่ะจิตใจที่ร่มเย็นเป็นอย่างนั้นให้จิตใจจะเป็นอย่างนั้นก็คือจิตใจที่สงบสงบมันก็อยู่นิ่งมันไม่ได้ออกไปซ้ายไปขวาไปเหนือบนข้างล่างไปข้างหน้าข้างหลัง ไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตไม่ไปรักไม่ไปชังนี่ลองพิจารณาดูเถิดทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยทั้งรักทั้งชังทั้งโกรธทั้งเกลียดทั้งหน้าทัางหลังทั้งบนทั้งล่างอดีตอนาคตมันเป็นออกไปจากความเป็นปกติคือความอยู่นิ่งคือความอยู่กลางทั้งนั้นความอยู่กลางนี่มันมีประโยชน์มีประโยชน์ในการที่ว่าเราต่อไปภายหน้า อยากจ ะ, ะเฉลียวฉลาดมันก็จะต้องใช้ความเป็นกลางนี่แหละความเป็นปกติความร่มเย็นน่นนี่แหละดงจะสามารถไปพิจารณาจะไปดูจะไปฟังอะไรมันก็จะเกิดปัญญาจะเกิดความเข้าอกเข้าใจดิฉะนนั้นแล้วโดนหลอกทุกทีทุกเรื่องไปไปเห็นกน็ไม่รู้จักไม่รู้จักตามความเป็นจริง ได้ยินก็ไม่รู้จักตามความเป็นจริงก็เลยกลายเป็นว่าถ้าจิตใจเราเนี่ยไม่มีความสงบเสียก่อนไม่มีคุณภาพอันนี้ขึ้นมาไว้เสียก่อนแล้วอย่างพอตัวนล้ออกไปแล้วเป็นเบี้ยล่างออกไปแล้วได้รับแต่ความหลงได้รับความหลงมาความโลภความโกรธาสารพัดไม่มีดี ถ้าจะดีต้องให้จิตใจสงบเสียก่อนสามารถทำจิตใจลงสู่ความสงบความร่มเย็นได้ประคับประคองไว้ให้ร่มเย็นให้อยู่นี่อยู่กลางสงบอยู่ได้เมื่อเอาจิตใจที่เป็นกลางจิตใจที่สงบจิตใจที่ไม่แส้สายนี่ไปพิจารณาอะไรไปดูอะไรไปฟังอะไรไปรับรู้อะไรมันจึงจะรับรู้เห็นจะได้ยินจะรู้จักสีต่างๆ ตามความเป็นจริงพระพุทธองค์ย้ำนักหนาว่าให้สิ่งเห็นเรีนสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงก็ฟังดูแล้วคล้ายๆว่าพวกเราเนี่จะเห็นก็เห็นไม่ตามความเป็นจริงจะฟังก็ไม่ ไ, มได้ฟังถูกต้องตามความเป็นจริงมันคล้ายๆกับ ว, ว่ามีตาก็เหมือนกันะแต่เป็นตาถัวบ้างตาไม่ปกติตาเที่ยนมีหูก็มีหูที่ไม่มีคุณภาพ มีหูที่ไม่ปกติมีหูที่เพียเพ้ยนเพี้ยนดังนั้นผลที่ได้รับจากการมองเห็นโดยเด็ดยินไปนีนมันเกิดเป็นเสี้ยนเป็นหนามเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจใจตนเองเรื่อยๆมาท่านว่าถ้าเผื่อเรามองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้ยินสิ่งต่างๆได้ยินเสียงต่างๆตามความเป็นจริงหรือรู้จักอะไรต่างๆในธรรมชาติตามความเป็นจริงเข้ามนแล้ว ทุกสิ่ทุกอย่างจะไม่เป็นเสี้ยนเป็นหนามเลยไม่เป็นเสี้ยนเป็นหนามไม่เป็นทิศเป็นไทยต่อจิตต่อใจเลยเราลองคิดดูสิถ้าสมมติมันเป็นเสี้ยนเป็นหนามพระพุทธองค์ทำไมต้องจะว่าอย่างนั้นทุกสิ่ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติผู้ที่ไปเดือดร้อนก็คือจิตก็คือใจจิตใจที่ยังไม่เฉลียวฉลาดไปแล้วมันไม่ไปรู้จักตามความเป็นจริงก็เลยไปเที่ยว ยกอันนั้นไปเที่ยวแบกอันนี้ไปเที่ยวดึงเที่ยวรั้งอันนั้นอันนี้ต่างๆตามที่ตนไปเห็นตามที่ตนไปได้ยิน น, นั่นแหละก็ไปเลยไปดึงไปรั้งเอาทาั้งๆที่รั้งเอาแล้วก็ไม่ไม่ใช่ว่ารั้งได้ไม่ใช่ว่าดึงได้ไมีแต่ว่าแบกได้หามได้ไม่ไรก็บแบกไม่ได้หามไม่ได้เดี๋ยลองโอดลองโอยโอโยทุกข์เหลือกเกินทุกข์เหลือกเกินอะลองอยู่นั่นแหละแล้วเขาไม่ไม่ได้กระโดดเข้ามามาทํำลายจิตใจเลยสักอย่าง จิตใจเท่านั้นแหละที่ไม่ฉลาดเละถึงไปทําเอาอย่างสมมุติว่ามันมีก้อนหินก้อนหนึ่งวางอยู่ถนนหรือมันวางอยู่ข้างทางก็แล้วแต่เถอะทีนี้คนเดินไปตามันไม่ดีไม่ได้ดูตามารถจเหลือเตะเตีเ้ยงเขาให้ท้าแตกเลือดไหลใครเป็นคนผิดนะใครเป็นคนผิดก้อนหินมันม่งมาชนเรือนั่น เราลองพิจารณาเนี่ยตัวอย่างอย่างนี้แหละตามธรรมดาสิ่งต่างๆมันก็อยู่อย่างนั้นตามความเป็นจริงพวกมันมันคือมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันแข็งมันอยู่อย่างนั้นอย่างความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละมันก็เกิดก็มีอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราเกิดมาแล้วจะตเกิดมารอดับหน้าเราไม่ใช่อย่างนั้นความแก่ความเจ็บความตายนี่คือความเปลี่ยนแปลงไปของดินน้ำไปลงของกสัตว์ทั้งหลายเนี่ย มันหักวนเวียนอยู่อย่างนั้นตลอดการเวลาจิตเท่านั้นแหละที่เข้าไปยึดยึดจะไม่ให้มันเป็นดึงไว้แต่ขัดขวางทางมันแล้วก็ไปบอกว่าทุกข์เดือดร้อนเลือเกินเป็นทุกข์เดือดร้อนมันเพราะใครเพราะตนเองแท้ๆนังนั่นท่านยิงบอกว่าองฝึกจิตไม่ให้ฉลาดก่อนที่จะฉลาดมันต้องมีสงบซะก่อน ทำใหสงบแล้วมันจะไปฉลาดอย่างนั้นไม่ได้มันไม่ฉลาดมันฉลาดเอาแต่ปากพูดเอาเฉยเฉยคิดเอาเฉยเฉยแต่จริงๆแล้วจิตใจจริงๆไม่ฉลาดเลยออกไปที่ที่พูดได้ว่าสีนี้ไม่น่ายึดไม่น่าถือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เมื่อออกไปแล้วยังทุกอยู่ยังเดือดร้อนอยู่ปากพูดว่าไม่ยึดไม่ถือ แต่ถ้าว่าใจไม่ยอมใจไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางนั่นเองคือใจที่ยังไม่ฉลาดถ้าประพฤติปฏิบัติให้จิตใจมีความสงบจิตใจได้ไปพิจารณาเองมันทราบซึ่งเราไปถึงจิตถึงใจอันนั่นแหละจึงจะถึงเมื่อถึงในจิตในใจแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นคิดเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นโทษสักอย่างนี่ ความจริงมันม Yo, ีอยู่อย่างนี้ความจริงนี่มันรอพวกเราอยู่รอจิตรอใจทุกจิตทุกใจอยู่ทุกๆจิตทุกๆใจมีความสามารถที่จะไปถึงที่จะไปรับไปรู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่ได้ปิดไม่ได้บังอะไรดังนั้นเราจึงตั้งใจเสียตั้งใจภาวนาตั้งใจทำความสงบเสียก่อนทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมอยู่มีแต่เราเนี่ยแหละจิตของเราใจของเราเนี่ยแหละมันยังไม่สงบยังไม่พร้อม มันเขาจะชัดเจนขนาดไหนเราก็ไม่เห็นเห็นก็เห็นไปอีกเรื่องหนึ่งตามภาษาเราซึ่งเป็นตามภาษาที่โงโงๆโโอยู่อย่างเก่ า, เาต่อไปนี้ฟังเทศของหลวงปู่นั่งภาวนาท่านปิตใจให้สงบรูทางมันมีชัดเจนอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วเพียงแต่เราทําของเราอย่าไปได้หวังนูน่นวังนี่อยู่การหวังอยู่เฉยๆแล้วไม่ดําเนินเดินทางมีแต่อยากจะให้ถึงมันไม่ถึงหรอกอย่างนั้นน่ะไม่ถึง